หนึ่งจุดเจ็ดพระรุ่นก่อนสืบต่อาศาสนากันชนิดเอาชีวิตเข้าแลกวงเล็บเปิดแปดเมษา ย, ยนสองพันห้าอยห้าสิบในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีหกวงเล็บปิดเคยมีคนถามหลวงปู่ ม, มั่นแบบล่วงเกินท่านตอนนั้นท่านไปทุระมาถามว่าท่านมาโคราชนี่ท่านมาหาอะไรต้องการอะไรถึงมาที่โคราชท่านก็บอกว่าคนจะหาอะไรต้องหิวนะท่านไม่หิวแล้ว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 สืบทอดกันมาเรื่อยๆมาถึงพวกเราจะรักษาเทียนคือธรรมะเอาไว้จะเป็นคนตาบอดหรือตาดีก็ยังไม่รู้แต่เขาภาคเพียรรักษากันนะเอาชีวิตเข้าแลกสืบทอดกันมาตาบอดหมายถึงว่ามีแสงสว่างอยู่แต่มองอะไรไม่เห็นรักษาคำภีไว้รักษาตำราไว้สืบทอดกันมาโดยที่ไม่ได้ลิ้มรสชาติของความสงบสุขทีนี้พวกเราลงมือภาวนาจิตใจได้รับรสชาติของธรรมะนะ ไม่ถือว่าตาบอดถือว่าเริ่มตาดีแล้วอาจจะตามมวบ้างบางทีก็หันไปหากิเลสบางทีก็ตาใสาขึ้นมาเป็นวันวันแต่ก่อนรักษาธรรมะยากมากนะพระรุ่นก่อนๆเอาชีวิตเข้าแลกกันมารักษากันไว้ทั้งที่ตัวเองไม่ได้อะไรเท่าไหร่อย่างสมัยอยุธยารัชสมัยพระเจ้าบรมโกศลังกาไม่มีาศาสนาพุทธขาดช่วงไปมาขอพระเมืองไทยไปสืบทอด พระก็ไปนะไปเรือแตกแล้วมรณภนะาพไปเยอะแยะเลยปีสองปีต่อมาทางลังกาส่งข่าวมาว่ายังไม่ได้พระเลยก็ส่งไปอีกนะคราวนี้รอดไปรือธรร ม, มจะถ่ายทอดจากจีนไปญี่ปุ่นก็มีพระจากญี่ปุ่นอุตส่าห์มาบวชอยู่เมืองจีนแล้วมานั่งลอกคำภีลงในไม้ไผ่ไม้ไผ่เป็นซีๆ่ๆหนักนะลอกๆไปลอกอยู่ตั้งหลายปีคัดคมภีแล้วก็ขนข้ามฝั่งไปญี่ปุ่นเรือมันโดนพายุมันหนัก กับตันเรือเลยเอาไม่ไผ่ยโยนน้ำไปเลยท่านก็กลับมานั่งคัดใหม่ท่านเหล่านี้ภาคเพียนอย่างพระโสนนะพระอุตระนะพระเจ้าอโศกส่งมาเมืองไทยไม่ได้กลับไปส่งมาสุวรรณภูมิก็ไม่ได้กลับไปตายบ้านเดิมท่านเหล่านี้สืบทอดธรรมมาอย่างยากลำบากกว่าพวกเราจะได้ธรรมมายากนะแต่พวกเราไม่รู้เราเกิดมาก็เห็นมีธรรมะเต็มบ้านเต็มเมืองเราคุ้นเคยเลยประมาท นิ่งนอนใจคิดว่าเอาเมื่อไหร่ก็ได้คนที่คิดอย่างนั้นไม่ได้กินหรอกเชื่อเถอะต้องเรียนรู้จริงๆนะ